Mm hmm. เจริญสติของพวกเราที่นี่นเราก็ใช้หลักสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนี่มี4ขั้นตอ น, นขั้นแรกนี่เราก็คงคุ้นเคยกันดีนะคือกายานุปัสสนาก็คือการมีสติในกายสติในกายนี่ ทำได้หลายวิธีการมีสติในอิเรียบทก็เป็นอันหนึ่งการมีสติรู้ลมหายใจหรืออนาปนานสติก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือการมีสัมปชัญญะคือทำความรู้สึกตัวพระเจ้าก็ได้แจกแจงว่ากาทความรู้สึกตัวนี้ เช่นอะไรบ้างก็เช่นเวลาเดินไปข้างหน้าปอยหลังเวลาแลเวลาเหลียวเวลาครองจีวรถือบาทอันนี้ก็สำหรับพระนะหรือเวลากินเวลาดื่มเวลาแม้กระทั่งปัสสาวะอุจจาระเวลาคุ้ เหยียดขาไปข้างหน้าหรือว่าคู่ขาพื่ง่ายคือว่าไม่ว่าเราจะทําแล้วก็ตามก็ให้มีความรู้สึกตัวคําว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาคำ ว, ว่าทำความรู้สึกตัวนี่หมายความว่าอย่างไรนะเราจะมีความรู้สึกตัวในในอิริยาบถใดในการกระทําใดเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อ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 ใช่เราเดินอยู่กําลังเดินอยู่และใจลอยตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวแล้วว่ากําลังเดินพอใจไปอยู่ในล้วนความคิดใจสักพักนะสติก็มาเตือนให้เราเราลึกดาวันนี้กําลังเดินอยู่นะหรือว่ากําลังบินธบาทอยู่นะหรือว่ากําลังสวดมนต์อยู่นะ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 ระลึกได้แล้วว่าทำอะไรอยู่นะการรู้เท่าทันหรือรู้ว่ากําลังลอยใจกําลังลอยกําลังไหลเนี่ยอันนี้ก็เป็ น, นางานของสติเช่นเดียวกันเมื่อระลึกได้หรือเมื่อรู้ทันว่าใจกําลังฟุ้งซ่านนะกำลังลอยกําลังไหลเนี่ยจิตก็จะกลับมาจิตก็จะวางอารมณ์นั้นรู้จักอารมณ์นั้น แล้วก็ก ล, ก, ก, วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดมีขึ้นฉชน่นอใจได้ว่าความระลึกได้กับความรู้สึกตัวเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากเลยความรู้สึกตัวนี่เราก็จะเรียกเราก็เรียกว่าสัมปชัญญะความระลึกได้เราเรียกว่าสติ เมื่อมีสติสัมปชัญญะก็ตามมาแต่ว่าสัมปชัญญะนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างส่วนใหญ่เราก็ใช้คำว่าความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวโดยเฉพาะเน้นเมื่อทำกิจการงานต่างๆเวลาพูดถึงสติเนี่ยหลายคนก็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 คูดคุยโต้อตอบอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะอันนี้พูดในทางทำแล้วเนี่ยแม้คนที่เดินไปไหนมาไหนหรือเดินมิถบาตก็อาจจะเรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้เพราะว่าเข้าใจลอยในทางการแพทย์บอเออนี่คนนี้ก็รู้สึกตัวแล้วนะเขารู้สึกตัวดีด้วยนะเขาเดินก็ทําอะไรได้ เหมือนคนปกติเขาเดินไปเข า, าทำงานอะไรได้แต่ว่าถ้าใจเขาลอยลอยไปหมกมุนอยู่กับอดีตเสียดายเสียใจคนรักทิ้งเงินหายถูกโกงบ้านถูกไฟไหมหรือว่ากาลัง ออกูบอกกุมใจนะที่แม่ไม่สบายน้องสาวเป็นมะเร็งอย่างนี้แม้นั่งเจ้าจุกโตอตอบกับคนได้ก็ยังเรียกว่าไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมความไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นนะกับใครเนี่ยใจก็จะโปร่งเบาเพราะว่าตอนนั้นใจอยู่กับปัจจุบัน เพราะว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอาการที่ใจอยู่กับปัจจุบันรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็รับรู้อาการที่เกิดกับกายหรืออเรียบ ท, ที่กายกาลังทำอยู่ได้ได้เป็นปัจจุบันเมื่อใจไม่นึกถึงอดีตไม่คุณคิดถึงอนาคตเนี่ย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 นะเพราะอันนี้มันก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันเหมือนกันแต่ว่าใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ปักตึงนะอยู่กับสิ่งนั้นก็เพียงแค่รู้เฉยๆฉยรู้สึกตัวทุกราวนี่มันยังมีความหมายถึงการที่ไม่ไปเพ่งไม่ว่าที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่ไปไปดักเฝ้าดูความคิด อย่างที่พูดเมื่อวานเพราะถ้าหากว่าจิตไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นที่เท้าเนี่ยมันก็จะรู้แต่เฉพาะที่เท้าแต่จะไม่รู้ทั้งตัวรู้สึกตัวรู้พร้อมเนี่ยมันเหมือนกับเราดูภาพใหญ่ๆเราไม่ได้จดจ่อที่จุดใดจุดหนึ่งของภาพเราดูรวมรวมมันก็เราไปดูหนังเนี่ยจอหนังมันใหญ่เราก็เห็นภาพรวมรวม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 อันนั้นอาจจะได้ความสงบแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพราะว่าไม่ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของกายรวมๆความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะไม่ได้ชัดที่จุดใดจุดหนึ่งนะถ้าเรายกมือแล้วเห็นมือมันเคลื่อนชัดเน่ยเป็นสายเลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้คือการเพ่งความรู้สึกตัวมันจะมันจะไม่ได้ชัดที่ อันใดอันหนึ่งมันรู้สึกรวมๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรู้กายนะหรือรู้ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าเวลามีเสียงมากระทบมีรูปมากระทบก็รับรู้สามารถจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้แต่ไม่ใช่ส่งจิตออกไปหานะไม่ใช่ไปสแกนหาแต่ว่ามันรับรู้ เพราะว่าเสียงก็ดีรูก็ดีมันพุ่งเข้ามาในตอนนั้นใจอยู่กับเนืน้อ ก, กับตัวก็ยอมรับรู้ได้ถ้าใจไม่ลอยถ้าใจลอยเนี่ยบางทีมีคนพูดก็ไม่ได้ยินคนมาทักอยู่ต่อหน้าก็ไม่เห็นนะเพราะใจลอยเคยพาคนไปเดินจงกลมหน้าวัดนะที่ปูหลงที่จริงที่อื่นด้วยก็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 ปฏิบัติแบบการเดินแบบจิตเพ่งท้าบริกรรมไปด้วยย่างยกหนอเนี่ยก็บริกรรมไปด้วยซ้ายหนอขวานหนอเนี่นะขาก็เลยไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ความสึกตัวทั่วพร้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยนะ มันก็มีสองเหตุสาเหตุ ใ, ใหญ่ๆคือว่าใจลอยใจไหลไปนอกตัวหรือมิเช่นนั้นใจจิตก็ไปเพ่งที่อวัยวะหรือว่าเพ่งเข้าในเพ่งเข้าไหนไห น, นี่รวมถึงการเพ่งไปที่จิต ด, ด้วยไปดูจิตแบบเพ่งจ้องดักความคิดการรู้ความสุขตัวทั้พร้อมนี่มันจะว่าไปคือรู้ทั้งในแล้วก็รู้นอ ก, ร, นอ ร, กรู้ในคือรู้กายรู้ใจรู้นอกคือรู้ว่ามีอะไรมา กระทบเพียงแต่ว่าเมื่อกระทบแล้วก็ให้ผ่านเลยไปไม่ใช่พอได้ยินเสียงนกเอจิตก็พุ่งออกไปที่ตัวนกเลยว่านกอะไรตัวผู้ตัวเมียนะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอันนี้ส่งออกนอกไปละนั่นก็ลืมตัวไปแล้วนะแบบเนี้ใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วสักแต่ว่าได้ยินมีลมพัดมาก็รู้อาการที่ลมกระทบกาย มีความเย็นเกิดสุขเวทนาขึ้นก็รู้ใจอาจจะเผลอยินดีในความเย็นสบายนั้นในความสุขที่ได้รับก็รู้นะรู้แล้วก็วางถือมันรู้ทั้งในรู้ทั้งนอกหลวงพ่อเขียนเคยเล่าฟังว่าสมัยปฏิบัติใหม่ๆก็หลวงพ่อเทียนคราหนึ่งท่านก็ไปปฏิบัติสร้างจังหวะอยู่ในกุฏิ แล้วก็ปิดประตูกุฏิหลวงพ่อเทียนมาสอบอารมณ์มาหาเดิน อ, อยู่หน้ากุฏิก็ถามหลวงพ่ออมเขียวว่าทำอะไรหลวงพ่ออมเขียวก็ว่ากาลังปฏิบัติครับหลวงพ่อเทียนถามต่อบไปว่าเห็นผมไหมหลวงพ่ออมเขียวก็ตอบว่าไม่เห็นครับแล้วทำยังไงถึงจะเห็นต้องเปิดประตูครับ หลวงพ่เห็นก็เลยเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จหลวงพ่อเทียนก็ถามต่อว่าอยู่ตรงนี้นี่ข้างนอกเห็นไหมเห็นครับข้างในเห็นไหมเห็นครับนั่นแหละทําอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนของหลวงพ่อเทียนสมัยก่อนคือท่านจะไม่พูดที่ชี้ชัดด้วยคําพูดนะแต่ว่าจะใช้จะแสดงให้ดูเพราะว่าหลวงพ่อมาคำเขียนแล้วว่า ตอนก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัตินี่ท่านหนักในเรื่องสมถะมากนั้นจิตก็จะจะเพ่งจะจ้องหรือว่าเข้าในตลอดบางครั้งเนี่ยท่านก็หลวงพ่อเทียนก็สอนด้วยการเอาผ้าเอาคลยผ้าอ้น้นคลุมศรีรษะแล้วก็เดินผ่านไปให้พระนักปฏิบัติเห็นเแล้วท่านก็ดึงผ้าออก คนเห็นก็งงให้ท่านสอนอะไรท่านกำลังจะบอกอะไรก็ปฏิบัติไปก็รู้อ๋อท่านสานว่าอย่าไปเพ่งนะอย่าไปติดสงบอย่าไปเพ่งเข้าในเพราะว่าผ้าคลุมหัวเนี่ยมันไม่เห็นอะไรตนการให้รู้ให้รู้ข้างนอกด้วยเพราะนั้นถึงไม่แนะนำให้ติดตาแต่คนที่ติดสงบก็จะพยายามปิดตาเพราะว่าถ้าเห็นอะไรแล้วเนี่ยมันไม่สงบ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 แต่ต่อไปความรู้สึกนั่นแหละจะเป็นตัวดึงให้สติกลับมาได้ทีแรกมันเป็นผลก่อนต่อหลังมันเป็นเหตุเวลาเจริญสติแล้วก็รู้สึกมือเคลื่อนไหวเท้าร่างกายขยับเ ข, ขยื่อนเวลาเดินไปมาต่อไปบางทีเวลาใจลอยนะพอแค่รู้สึกว่ามือขยับเนี่ยสติก็ามาเลยคล้ายๆว่ามันรู้กันละเป็นเพื่อนกัน มันคู่กันเลยอาจารย์ปโมท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนท่านเป็นคาราวานท่านก็มีคราวหนึ่งก็เห็นเห็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามเห็นก็ดีใจตอนนั้นใจก็ไปอยู่ที่เพื่อนละที่ถนนอีกข้างหนึง่งอีกฝั่งหนึง่งก็จะข้ามถนนไปหา แต่พอเท้าเนี่เริ่มขยับก็รู้สึกตัวเลยสติมาเลยความรู้สึกเมื่อเท้าขยับเนี่ยมันคล้ายๆเป็นตัวเรียกสติให้กลับมาถ้าเราจเจริญสติด้วยการสร้างอิเดียบทหรือว่าด้วยการสร้างความรู้สึกตัวในอิเดียบทรู้สึกรู้สึกอยู่เสมอในเวลา เคลื่อนไหวมือเวลาเดินจงกรมเนี่ยต่อไปเนี่ยไอความรู้สึกนี่นยมันจะสามารถเรียกสติกลับมาได้ใจลอยไปแต่พอรู้สึกว่ามือขยับนี่สติกลับมาเลยก็รู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันดึงจิต ก, กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันมีเปี่ยวตรงนี้นะไ อ, ไอการเคลื่อน เคลื่อนไหวมือหรือว่าทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นต้องเป็นการยกมืออย่างเดียวขยับนิ้วคลึงนิ้วกระดิกนิ้วก็ได้เวลาฟังธรรมเนี่ยเราก็า จ, จะใช้วิธีกระดิกนิ้วนะใจก็อยู่กับการฟังธรรมแต่บางครั้งใจมันลอยนะเพราะว่าอาจจะลอยเพราะว่า ประโยชบางประโยชน์ทำให้นึกถึงเพื่อนทําให้นึกถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในอดีตใจมันก็ไปเลยนะแต่ว่าไปได้สักพักรู้สึกวันนิ้วขยับรับรู้ได้ถึงหรือรู้สึกได้ถึงนิ้วที่ขยับมันก็เรียกจิตกลับมาอยู่กับการฟังอยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องอนี่มันแล้วเราสามารถจะสร้างความรู้สึกได้ หลายอย่างเวลาแม้กระทั่งเวลาอยู่ในห้องน้ําเราลองตามลมหายใจดูสถานที่เรากำลังนั่งถ่ายถ่ายหนักนี่เราก็ตามลมหายใจจะยกมือก็ได้จะคลึงนิ้วก็ได้ตามลมหายใจก็ได้รู้สึกที่ลมหายใจที่เข้าและออกจะ ร, รู้สึกว่าลมหายใจมันผ่านร่างกายนี้เข้าออกเข้าออกคือเป็นความรู้สึกทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะรู้สึกที่ลมหายใจ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 ที่สาธารณะบางทีก็ยกมือไม่สะดวกนะสร้างจังหวะไม่สะดวกหรือเวลาเรานั่งรถเนี่ยเรานั่งรถไฟเราอยู่บนเครื่องบินนั่งรถประจําทางเรายกมือสร้างจังหวะไม่สะดวกเดี๋ยวคนก็จะมองว่าเราทําอะไรลำพัดหรือเปล่าเราก็คลึงนิ้วไปครึงนิ้วไ ป, วไปใจมันก็อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแต่บางทีใจก็ลอยออกไปจดจ่ออยู่กับทิวทัศน์ข้างนอกหรือว่า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 ทำอลไก็ตามแล้ก็ทังเวลาพักก็คลึงนิ้วไปกระดิกขาก็ได้ความรู้สึกนี่แหละนะมันจะเรียกสติกับมาได้ไวซึ่งช่วยทำให้สติเราโตขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จะมาอยู่กับตัวเราเมื่อเกิดขึ้นบ่อ ย, อยเกิดขึ้นบ่อยนะสติมันจำได้นะ มันจำว่าความรู้สึกตัวเป็นแบบนี้เนะี่ยภาษาพาะ ร, าระฤาษีฤาษย์สัญญานะี่ยสัญญาเพราะาจำได้ไหมรู้แต่มันกับสติก็ใกล้เคียงกันนะพอมันจำได้ว่าอาการความรู้สึกตัวเป็นแบบนี้นะแต่ก่อนเนี่ยคนที่ไม่ค่อยรู้สึกตัวเนี่ยไอ้ฤีษีสัญญาหรือสัญญาจำได้ไหมรู้แบบ น, นี้มันไม่มันะม น, น้อยมากแต่พอรู้สึกตัวบ่อยๆมันจำได้เวลาหลงไป มันก็จะรู้แล้วว่านี้ไม่ใชน่นี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวตรงนี้แหละที่สติจะทํางานกลับมาพาจิตกรรมมาอยู่กับความรู้สึกตัวที่จริงถ้าเจอความหลงบ่อยๆนะเจอความหลงบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะจําได้นะ อ, อ๋อหลงเป็นแบบนี้นะโกรธมันเป็นแบบนี้นะฟุ้งซ่านมันเป็นแบบนี้นะพอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆมันจําได้เนี่ย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 คุยไปสักพักถามอีกแล้วว่าท่านคุณเป็นใครหมอก็แนะนําตัวกวับผมเป็นหมอจิตแพทย์คุยไปสักพักลืมอีกแล้วคนไข้ลืมแล้วว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนําตัวอีกเดี๋บางทีหมอคุยกับคนไข้ดีนะรู้เรื่องดีอพอหมอเข้าห้องน้ํากลับมาคนไข้ลืมไปแล้วว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนําตัว นี่เป็นอาการคนที่ลืมเร็วมากพวกเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ลืมลืมลืมคนลืมอะไรนะแต่ลืมอารมณ์เจออารมณ์โกรธครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังลืมและปล่อยให้มันหลอกเราแต่ต่อไปเนี่ยพอเจลนสติ บ, บ่อยๆเนี่ยมันจะจําได้ว่าก็ความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้ ความโกรธเป็นอย่างนี้พอเจอมันครั้งต่อไปความจําจะมาได้เร็วแล้วก็รู้อ้าอ้ น, นี่ไม่ใช่นะนี่มันจะหลอกเราลวเราจะไม่อยากให้มันหลอกมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นหน้าจริงสตินะเรารู้ทันได้ไวเพราะเราจํามันได้เราจํามันได้ที่เราจนได้เพราะเราเจอมันมบ่อย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 เวลาจิตเคลื่อนจความรู้สึกตัวไปมันก็มันก็เอกใจแล้วหรือว่ามันเจอความโกรธเจอความฟุ้งซ่านเจอความเศร้าบ่อยบ่อยมันรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงพอเจอปุ๊บมันรู้ทันไวแล้วก็ดึงจิกตกันมาอยู่ความปกติอยู่กับปัจจุบันอยู่ความรู้สึกตัวนั่นนี่คือการทํางานของจิตเนี่ยที่เราเรียกอย่างว่าจิตตนิยามยซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่